ชมภูเป็นไ้ไไนนจิตยไัไม่ตั้งมัน่นเนี่ยจิตมันยังไม่เข้าถึงที่ตั้งมั่นเลยหนน่าเบื่อหน่ายแชกนิดไม่ใช่ตรงนี้เป็นผลเนีเป็นวิบักิคือกิเลสเกิดขึ้นมาจิตเกิดมโนกรรม มีผลแต่ผลนี้ร่างไม่ได้ดูไปต้องชดใช้เนื่องากสภาวะใดๆเกิดขึ้นสัตว์ก็รู้สักว่าเห็นได้ไม่มีปัญหาอะไรเออต้องไม่อยากหายนะอยากหายจะไม่หายเลยเพราะโลตั้เกิดก่อนที่จะเกิแล้วสติจะไม่เกิดนักปฏิบัติเกิดพลาดมากๆเสามตัวนล้ มันมันตั้นหาอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีอยากรู้อยากดีคือเกิดความอยากก็เกิดการจะทำกรรมทาใจตั้งใจใหดีการจะทำกรรมทางใจไม่มีอะไรเกินหลักฐานบคับนี้การบรรับใจบรรพกายเรียว่าอัตตาอิริยาบถในโลกบรรพผลเป็นทุกข์ตัวหนึ่งก็คือตัวมนณะ บทดีบทฉลาดรู้แล้วดูแล้วเรียนใหม่ๆไม่ได้ไม่ได้ให้เด็กๆเรียนตำรานเด็กก็เรียนอะไรเด็กเลยเป็นเด็กทีจิตใจของเด็กจิตใจของนักปฏิบัติไม่มีนักปฏิบัติส่วนมากคือดัดแปลงจิตใจจนผิดธรรมดาส่วนจิตใจของเด็กๆเองมันซื่อใสมีอะไรมาก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดคาดหวัง ค่าคะแนรู้ทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นมาจะเรยนรู้จิตใจจะเ็เป็นง่ายจิตใจผู้ใหญ่เ ร, รียนากนะามล้มช่วยเรียากเเต็มลยไก็รู้อะไรก็รู้รู้จริงรู้จริงเราคนทุกกันตัวมันนะ่ะตัอตัวหรือว่าเจงหรือว่าฉลาดหรือว่ารู้แล้ว ข้างหนึ่งมานะเดีฉันโง่ที่สุดเลยข้างหนึ่งใช้เฉพาะทำไม่ได้ไม่คิดอย่างนี้ก็ไม่ทําเลยโอเ้ๆตัวนี้ตัวที่ที่ที่เจ้าความคิดเจ้าความเห็นนี้สาเก็บเก็บไปก็เก็บเก็บใจมันใสๆชื่อๆเวลาเรียนรู้เด็กมันเรียนรู้เพื่อต้อง่ารจะรู้ของเราเรียนรู้เพื่อต้องกาจะเอา เอาโน้นกา้นไปทำรสชามากกว่านิทานเลยะบบของเราได้เนี่ย้มันเราได้ตามใจชอบนะก็เปทำตามใช่ครับเรื่องสุดขัาวอะไรเกิดขึ้นสักว่ารู้สักวันเหไหจิตใจยิ่งเปลี่ยนบอกว่าไปมา อต่การต่างเนี่ยมันนิ่งเกินไปรู้ไ่าแค่ให้ศีรษะสูงศีรษะนิ่งแค่นี้องเหมือนว่าเราแบจับอะไรไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ทุกอย่างที่ใจเปลี่ยนใจตลอดเวลาแคะนั้นเป็นธรรมะเป็นธรรมดาเนความจริงมันเป็นของไม่เที่ยงใช่ของเที่ยงถ้าที่เรารู้อย่างที่เขาเปลี่นรู้แต่เรื่องนี้ เป็นญานนแจ้ไม่ใช่ตัวหลักวันใบกระบวนการที่จิตส ว, วา่วางเกิดเรียนมรรไม่ใช่ขาดสติมรรคในขณะที่จิตเกิดเรียนมรรคมีความรู้สึกตั ว, ม, ม, ตวมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตในคนที่ว่าเวลาเกิดมาเพื่อูุ่งลงไปหรือเลือน ล, ลืมตัวหมดความรู้สึกเรียกว่าบรรุมรรมรรคผลมรรคผลไม่ได้เป็น ในขณะที่เกิดเรยียมากมีจิตเชื่อว่มมักจิตมักจิตเประกอบด้วยเจตสิกอย่างน้อยสามจุดกว่าตัวสาม5ุ6สี่สาะจรดห้าสามสเดสแปเลยเกิดประมาณแล้วแต่ขนาดของฌานที่ประกอบขึน้นเวลาเกิดโผล่จิตก็มีจิตไม่ใช่ดับความรู้สึกหลายคนไปนเอาประตาว่าที่ดับความรู้สึกมาเป็นมรรคผลเลยข้าใจผิด จิตทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติขาดสติหมดความรู้สึกเหมอนคนที่โดนยาสลบมันจะบรรลุอะไร mm hmm. ค่อยๆฝึกนะให้ดูสภาวะไปเชิญปัญญามแก้เห็นเลยสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นใจรู้ความจริงเบื้องต้นใจจะละความเห็นผิดเว่าจิตเป็นเราสิ่งที่เห็นว่าเป็นเรามากที่สุดคือจิตลำพังร่างกายเนี่ยดูง่ายว่าไม่ใช่เรา พระพุทธเจ้าเคยสอนบอกลูก่อนภิกษุทั้งหลายบูตุชนที่ไม่ได้สดับสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราคนศา ส, สนาอื่นก็เห็นนะแต่บูตุชนที่ไม่ได้สดับไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เราสตรบใดที่จิตยังเป็นเราอยู่จักรยานที่จิตไม่ขาดขาดไม่จริงนี่ทําไงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เราเห็นว่าจิตเป็นเราเนี่ยเพราะจิตมันเกิดดับรวดเร็วมาก ทั้งวันทั้งคืนดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเราไม่เคยเห็นความเกิดดับของเขาเพราถ้าหัดรู้เข้ามาจะถึงจิตถึงใจเห็นจิตเห็นใจเราจริงจริงถึงจขาดนะลำพังเห็นแต่รูปไม่พอเพราะรูปหรือร่างกายเนี่ยมันรู้สึกได้ว่าไม่ใช่เราเป็นแค่สิ่งที่จิตมาใส่อยู่คนศาสนาอื่นก็รู้รู้เจ้ายันอย่างนี้เลย มีแต่ในธรรมวินัยในคำสอนของท่านเท่านั้นที่จะสอนจนสามารถเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เราสติญาติจิตถึงจะขาดสติญาติจิตขาดได้ต้องเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราลำพังเห็นว่ากายไม่ใช่เรานี่ยสติญาติจิตไม่ขาดหลายคนปฏิบัตินะเพ่งแต่กายนะเพ่งกายลูกเดียวเลยเพ่งเ พ, งเพ่งอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจเรียนจงกลมไปเพ่งเท้า ือท้องก็เพ่งท้องขยับมือเพ่งมือรู้อริยาบถสีเพ่งมันทั้งตัวเลยเพ่งเพ่งเพ่งไปลืมจิตลืมใจตัวเองไม่ได้แยกรูปแยกนามถ้าไม่สามารถเคลื่อนไหวนะไม่สามารถเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูได้เรียกว่าไม่ได้แยกรูปแยกนามลืมจิตไปการเพ่งรูปบางคนเพ่งมากนะข ย, ยับนิ้วข ย, ยับมือจะไปหยิบอะไรนะนิ้วแต่ละนิ้วไหวคลิก๊กคลิคลคล๊่รู้หมดเลยนะ ถ้ขนาขณะนั้นลืมนามหมดเลยจิตเนี่ยเข้าไปแนบอยู่ที่มือเมื่อจิตเข้าไปแนบอยู่ที่มือเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์มือเป็นตัวอารมณ์นะการเพ่งใส่ตัวอารมณ์ปั๊บนี่นั่นคือการทําสมถะคือการเพ่งรูปการเพ่งรูปเนี่ยเมื่อทําได้ประณีตถึงจิตสุดจะ เ, เข้าไปสู่ฌานที่สี่เรียกจตุตตาฌานถ้าเรียนอย่างอพิทามพวกเรียกฌานที่ห้าอันเดียวกัน ถ้าเข้าถึงฌานตัวนี้แล้วจิตไม่สนใจนามเพราะว่าฝึกมาแต่แรกนี่ไม่สนใจนามเนี่ยเพ่งมืออย่างเดียวนามมันทำมันจะดับลงไปมันจะเหลือแต่ร่างกายตัวแข็งๆอยู่ไม่มีความรู้สึกอะไรอันนั้นคือภูมิของอัจฉริยสัจสาภูมิภูมิของกลมลูกปักไม่ใช่นิพพานนิพพานต้องมีจิตนะเต้างมีมัจจิตมีโภระจิตเต้ามีไม่ใช่หมดความรู้สึกแล้วบอกว่านิพพาน ตัวนี้เราพลาดเยอะเลยเป็นพลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติในคนปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการเพ่งไว้ด้วยการกําหนดมันจะไปเพ่งตัวอารมณ์เพ่งมือเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจการเพ่งเพ่งมากๆได้ฉานนะมีการเพ่งนี่ไม่ใช่การรู้ลักษณะรู้ศาสนารู้ลักษณะจะเห็นเลยรูปที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่ตัวเรารู้สึกนะรู้สึกได้ทันทีไม่ใช่เรา ไม่ต้องเคลื่อนไหวช้าเนปะ็นเคลื่อนเร็วแค่ไหนก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรานา ม, มาทำทั้งหลายก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหยดูออกใช่ไหมทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาผ่านไปใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเหมือนคนดูละครรูปกระ nam เป็นตัวละครที่เล่นไห้ดูเล่นแต่มาแล้วไปมาแล้วไป ใ, ใจสักว่ารู้สักว่าดูใจตั้งมั่นเป็นกลาง จิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมมาาธเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใจเราตั้งมั่นอยู่จะไม่ใช่ใจใจให้ตั้งอยู่ในมือนะแใ่เขาไปตั้งอยู่ในมือเนี่ยปัญญาจะไม่เกิดมันคือการเพ่งเพ่งรูปหรือถ้าไปตั้งอยู่ที่จิตจ้องอยู่ไว้มันคือการเพ่งนามไม่เกิดปัญญาเหมือนกันไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วจะเป็นวิปัสสนาเสมอไปนะดูที่อาการของการดู ไม่ใช่ว่าดูรูปแล้วจะเป็นวิปัสนาเสมอไปอยู่ที่คุณภาพอยู่ที่อาการของการไปดูด้วยส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยคือนักพิมพรูปเมันทําง่ายทําง่ายส่วนการรู้ลักษณะของรูปนี่ไม่ใช่ง่ายต้องเรียนนะต้องไปฟังไปคือเราแยกรูปแยกนามตัวจริงได้จะเห็นเลยนามรูปทั้งหลายเคลื่อนไหวไปจิตใจอยู่เป็นคนรู้คนดูเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รูปนามทั้งหลายก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูแสดงกันดีไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์แสดงตลอดเวลาด้วยไม่ใช่นานๆแสดงดีหนึ roster, ่งเพราะไตรลักษณ์เป็นคุณสมบัติที่แนบประจําอยู่กับรูปนามอยู่แล้วรู้สึกไหมทุกอย่างเกิดระดับเอตุทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับเขารู้เข้าดูนะมันจะเป็นปัญญาแจ้งเช่นไหมแจ้งมันจะวางทุกอย่างไปมันจะทวนกระแสเข้าหาธาตรู้หนึ่ สิ่งที่ห่อพุ่มธาตรู้มาสว่าิเรศที่ห่อพุ่มจะถูกแหวกออกภาตุรู้แทๆ้ๆที่ไม่ถูกอะไรปกคลุมหอพุ่มสแสดงตัวออกมาจิตใจที่พ้นจากตัญหาสิ้นเชิงพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนี่แหละถึงจะเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งธรรมะที่สิน้นปัญหาคือนิพพานนิพพานคือวิราคะสิ้นตัญหานิพพานคือวิสังขารไม่ปรุงแต่งถ้าสภาวะจิตมีคุณภาพ พนความปรุงแต่งพ้คนความอยากเขาะจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งไม่อยากจิตมีคุณภาพระดับใดก็เห็นธรรมะระดับนั้นสังเกตไหมบางวันจิตใจของเราห่อเหี่ยวไม่สบายใจโลกนี้ห่อเหี่ยวทั้งโลกเลยบางวันจิตใจเราสดชื่นโลกนี้สดชื่นทั้งโลกเลยจิตคุณภาพเป็นยังไงก็ไปเห็นสภาวะธรรมในระดับนั้นคนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะ อย่างคนอื่นเรากําลังตดชื่อเรากําลังเต้าเรารู้สึกโลภเต้าคนอื่นก็รู้สึกว่าโลภตดชื่อแต่ถ้าเมื่อไหร่จิตของเราค้นความอยากค้นความปรุงแต่งเราจะเห็นนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิธพานไม่เคยหายไปไหนเลยนิพพานไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะใจของเรามัวหลงอยู่หลงอยู่กับอะไรหลงอยู่กับสมมุติบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดหลงอยู่กับรูปกับนาม เมื่อเรารู้แต่อารมณ์รูปนามรู้แต่อารมณ์ที่เป็นมันหัาดเราไม่สามารถรู้นิพพานได้นี่เบื้องต้นรู้กายรู้ใจไปนะบางคนหัดจุดร่างตั้งต้นบางคนหัดจากกายบางคนหัดจากเวทนาบางคนหัดจากจิตเบื้องต้นหัดอย่างใดอย่างหนึ่งก่นไม่ผิดแต่เมื่อสติตัวจริงเกิดแล้วนี่ไม่มีสายกายสายจิตอีกต่อไปละ รัตติเป็นอนัตตาบาทีเกิดะระลึกรู้กายบางทีเกิดขึ้นมาราะลึกรู้จิตอย่างบางคนบอกว่าดูจิตนี่ไม่รู้กายนีไ่ไม่จริงคนมารายงานหลงพ่อบ่อยๆนะว่าเดี๋ยวนี้ถึงปนาดนอนหลับอยู่เด้วยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวารู้ตลอดเลยไม่ใช่ไม่รู้นะปฏิบัติได้ตลอดเวลานเลยร่างกายขยับไปเยืเ่อเคลื่อนไหวรู้สึกทั้งนั้นจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึก แล้วเห็นเลยทั้งกายทั้งใ จ, งใจไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุพลาดบ้างเป็นนามธรรมบ้างเป็นนามธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้ค่อยๆเปลี่ยนนะที่เกศทาอยู่ดีแล้วใจเป็นซึมนิดนึงหรือออกไหมเออซึมนิดนึงซมปูหลงไปแล้วนะผิดไปรู้ ท, ทันมันเ อ, อซตึงมันไปทำไมไปตึงมันไว้ ลอยมันนัที่เราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ดัดแปลงกายดัดแปลงใจนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุดภาพนะเกือบร้อยละร้อยคือนักดัดแปลงกายดัดแปลงใจบันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราก็เริ่มบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจที่จริงวิปัสสนานะทำเพื่อว่าเราจะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง มันเห็นความจริงแล้วปล่อยวางได้แต่เริ่มต้นมาบางคนก็เผลอไปใจลอยไปมัวแต่คิดขณะที่หลงไปอยู่ในโลกของบัญญัติในโลกของความคิดรู้กายรู้ใจไม่ได้เลยมันจะลืมกายลืมใจอย่างเอะลืมกายลืมใจขณะจิตเนี่ยนะลืมกายลืมใจอีกอันหนึ่งก็คือการเพ่งกายเพ่งใจพอกําหนดลงไปเพ่นลงไปกําหนดเนี่ตัวดีเลยนะในตาําราในธรรมปัญญาในอะไรนี่สอนว่าไม่ให้กําหนดนะ มือหลังชอบกำหนด้กำหนดลงไปกายก็นิ่งใจก็นิ่งนิ่งผิดความเป็นจริงเราต้องการเห็นความเป็นจริงเราไม่ต้องการดัดแปลงความเป็นจริงการดัดแปลงความเป็นจริงจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่สงบทำให้สงบเป็นเรื่องของกรรมฐากรรมฐาน้ึกขึ้นวิปัสสนาทาไปเพื่อให้เห็นความจริงสิ่งที่ได้มาถึงปัญญาเมจิตใจมีปัญญาล้วเข้าถึงความบริสุทธิ์ ด้วยปัญญาคุยจะสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการเพ่งยังติดเพ่งอยู่ดูออกไหมการกำหนดการอะไรนี่แหละตัวดีเลยสติไม่ได้แปลว่ากำหนดนะสติคือความระลึกได้มีความไม่หลงลืมเป็นลักษณะมีจิตคือไม่เลื่อนลอยมีผลของการทำจิตคือการคุ้มครองอารักขาจิตใจ อาภุสุนเกิดต้องดับทันทีภุสุนที่ยังไม่เกิดจะดค่อยๆเกิดขึ้นมาเหตุใส้ให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวะได้ดัง น, นหน้าที่ต้องหัดรู้จักสภาวะในต้นทางของการปฏิบัติหัดรู้สภาวะไปรูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ใช่ไปทําให้นิ่งทําไม่นิ่งแล้วก็ไม่มีอะไรให้ดูดังหัดรู้จักสภาวะจึงกระท่งสติโดยจริงเกิด สติตัวจริงเนี่ยจะเป็นความระรูกได้ไม่ใช่การกําหนดมีคําพี่วันหนึ่งนอะาจประถามหาสุติปัฏฐานสอนสติเนี่ยถ้าเอาไปกําหนดรูปนามนะสติถ้ากําหนดรูปนามเป็นอารมณ์จะเกิดกกทุกข์ทุกขันธีนะอะไรทําให้เอาสติไปกําหนดตันหาตันหาอยู่เบื้องหลังการเอาสติไปกําหนดรูปนามคือตัวสมุทยัยทาไมเราต้องไปกําหนดรูปนามเราอยากนะ เราอยากรู้อยากดีอยากได้อยากได้มรรคผลนิพพานความอยากมันนำหน้าไปนั้นการที่เราจงใจกาหนดเนี่ยจิตเจือด้วยโลภะการกาหนดนั้นคือตัวโลภะเจตนาเน้นสติตัวจริงจะไม่เกิดเลยสามใดที่ยังจงใจกาหนดอยู่เพราะโลภะเกิดสติจะเกิดร่วมกับอภุจนไม่ได้ต้อเกิดคนลกษณะ เบอร์ห้าสิบหกรู้จักใจลอยไหมเออดีนะค่อยๆดูไปนะหากสังเกตสภาวะเรียนสภาวะไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นอย่าเริ่มต้นเรียนด้วยการกาหนดนะเรียนไปตามลำดับของการปฏิบัติหากรู้จักสภาวะไปเมื่อจิตจำสภาวะได้สติจะเกิดนี่สติตัวจริงไม่ใช่ตัวกำหนดแล้วจะเป็นตัวระลึกได้ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดรู้สึกไหม ถ้าไปอยู่ในโลกของความคิดนะจิตเกิดความสงสัยทราบไหมอยากพูดทราบไหมเอออยากพูดให้รู้ลงไปที่ความรู้สึกอยากดูซี้เที่ยงนี้ไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะเรียนธรรมะเรียนจับของจริงนะดูจับของจริงดูจับสภาวธรรมจริงจรงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อจี้ใจมันหายแวบไปช่วงหนึ่งรู้สึกไหมจิตมันลงระวังช่วงหนึ่ง เนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับให้เราดูเยี่ตอนเนี้เมื่อกี้ก็หลุดเด็กแว๊บหนึ่งหลุดไหมให้รู้ไปเรื่อยๆรู้เหมือนคนที่ไม่มีส่วนได้เสียนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้แอบไปคิดแล้วทราบไหมยอยากพูดแล้วรู้สึกไหมเนะรู้สึกลงไปเห็นไหมความอยากพูดนั้นดับไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ ย, ยดูอย่างนี้นะสภาวะทำอื่นๆเกิดดับที่เดียวกันนี้แหละเกิดดับขึ้นมาตรงนี้ ตรงหัดพยาวัดถูกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยใจลอยไปคิดแล้วทราบไหมอเออแล้วสังเกตความอยากพูดที่มันเกิดขึ้นมาเป็นะระลอกละระลอกนะคอยรู้ทันหัดรู้สภาวะไปแล้วไปจิตจะจําสภาวะได้เช่นจําสภาวะได้ว่าเผลอไปคิดเป็นอย่างนี้ความอยากเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ความสงสัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้หัดรู้สภาวะที่หลวงพ่อสอนให้ดูสภาวะหลายตัวแล้วนะ เป็นความสงสัยความอยากจะพูดการเผลอไปคิดอที่จิตตกตะวงังนี่เรียนไปหลายตัวแล้วนะหัดรู้สภาวะไปต่อไปถ้าจิตจําสภาวะได้แล้วสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นมาอีกนะสติจะเกิดเองสติตัวนี้ไม่ใช่การกําหนดแล้วสตินี้เกิดจากจิตจําสภาวะได้นี่ตรงกับภาพิธามเทียบเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเรือนไปแว บ, บหนึ่งทัาบไหม เดี๋ยวส่วเดี๋ยวใครถามนะจริงๆธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันฟังหรอกธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันฟังนะถ้าเรียนได้ด้วยการฟังใครฟังมากๆคงบรรลุไปแล้วละธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยกันคิดเพราะการคิดไม่ใช่ของจริงโยมสังเกตไหมเวลาเราฟังเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่เราฟังไปคิดไปสลับกันดูออกไหมตรงนี้ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดรู้ไหมตรงที่รู้สึกว่าเข้าใจอ่ะคือตรงที่คิด ถ้าฉะนั้นสิ่งที่ฟังไปเรารู้สึกว่าเข้าใจคันจริงคิดเอาเองเด็ตอนนี้นใจไปคิดแล้วทราบไหมการสิ่งที่เราคิดขึ้นเองไม่ใช่ของจริงของจริงมีวิธีเดียวที่จะเข้าไปเข้าไปเห็นมันเข้าไปประจักษ์ถึงตัวสภาวะมัน้งรูปธรรมทั้งนามธรรมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างส่วนการที่เราฟังฟังแล้วจิตก็สลับกับไปคิดคิดไปคิดมาอ๋อเข้าใจแล้ว ความจริงเข้าใจเพราะคิดนะไม่ใช่เข้าใจเพราะฟังหรอกมีการที่เราคิดเนี่ยจิตของเราที่คิดเนี่ยมันปนเพลอนด้วยข้อมูลเก่าๆมันมันไม่ได้คิดซื่อใสจริงๆเรามีของเดิมอยู่เราอยากคิดแล้วก็ศึกษาษเปรียบเทียบตัวนี้ทําให้เนิ่นช้าแต่ถ้าเราหัดรู้สภาวะใจเด็ดๆนะสงสัยรู้ว่าสงสัยความสงสัยก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเกิดระดับอยากพูดรู้ว่าอยากพูด ความอยากพูดแสดงใจละเกิดแล้วดับใจลอยไปรู้ว่าใจลอยมันเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างจะเกิดแล้วดับไปถึงในที่สุดปัญญาจะแจ้งว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาจะแจ้งขึ้นมาถูกิเลสทุกตัวทําหน้าที่อันเดียวกันหมดเลยหลอกให้เราลืมตัวเองโดยเฉพาะถ้าหลอกให้เราไปคิดได้ดีที่สุดหลอกให้เราไปเพ่งได้นะดีอันดับสองของกิเลสพอหลอกให้เราลืมตัวเองให้เราคิดเนี่ย ลืมตัวเองไปเราทำมิปัตสนาไม่ได้หลอกให้เราเพ่งมันจะตกจากมิปัตสนาไปสู่สมถะจะไม่มีปัญญาไปช่วยกิเลสหรอกในกิเลสพอใจมากสังเกตให้ดีกิเลสทุกตัวทำหน้าที่อันเดียวกันหลอกให้เราลืมตัวเองเช่นความสงสัยเกิดขึ้นเราจะไม่ดูว่ากำลังสงสัยอยู่เราจะไปคิดหาคำตอบหลอกไหมจะอยากได้คำตอบอยากถามอยากคิดอยากรู้เรื่อง ความสงสัยเกิดนะเราไม่รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เวลาที่โลภะความรักเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักเราไม่รู้ว่ากําลังรักอยู่ในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราไม่เห็นว่าความโกรธกําลังเกิดอยู่ม้นจะหลอกให้เราไปคิดนะหน้าที่ของกิเลสทุกตัวเลยเหมือนๆกันหลอกให้เราลืมตัวเองซะจะได้ปิดบังสภาวะปิดบังต่างสารวัฏไม่ให้เราเข้าใจมัน แยใจลอยแบบหนึ่งซักไหมนีาให้ถามได้ไม่ได้เราไม่ได้ฝึกอะไรที่เหนือธรรมดานะคาว่าธรรมะธรรมดานี่อันเดียวกันเลยเราต้องการเห็นความเป็นธรรมดาของกายความเป็นธรรมดาของจิตการที่หลวงพ่อบอกว่าฟังไปแล้วก็คิดรู้สึกไหมฟังแล้วคิดมันคืออะไรรึมั้ย จิตเกิดขึ้นทางหูแล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นทางใจแล้วก็ดับไปอันนี้เราดูเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้ท่างหากเพื่อให้เห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเห็นความจริงไม่ใช่เพื่อไม่ให้มันเป็นงั้นธรรมะนะเรียนของจริงล้วนๆเลยแต่ว่าความคิดเนี่ปิดบังความจริงนะปิดบังให้เราหลอกให้เราคิดไปเราจะไม่ได้ดูของจริง ตรงนี้พอดูออกไหมนั่งฟังหลวงพ่อพูดเดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดมสลับไปเรื่อยๆอัดดูไปอย่างเนี้จะเห็นไหมไม่เที่ยงเห็นไหมบังคับไม่ได้จะดูหรือจะฟังหรือจะคิดบังคับไม่ได้คำว่าบังคับไม่ได้คือสำว่าอนัตตา น, นั่นเองให้เราเห็นสภาวะคือเห็นจิตที่เกิดดับสังควานต่างๆเราก็เห็นไตรักเพราไม่เที่ยงเพราะทนอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นอนัตตา มันต่างกับการที่เรากําหนดการที่เราเพ่งนะมันจะตรึงนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเองใจลอยแวบหนึ่งทราบไหมรู้รู้ไม่ใช่เพื่อห้ามนะรู้เพื่อรู้รู้เพื่อศึกษาไม่ใช่รู้เพื่อเอาอะไรนักปฏิบัติจะพลาดตรงนี้นักปฏิบัติพลาดเนี่ยนะคืออยากทาของที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงทำของที่เป็นทุกข์ให้เป็นสุขทาของที่บังคับไม่ได้ให้บังคับได้ ในใจใจจริงเราต้องการอย่างนี้นะที่ลงมือปฏิบัติกันแทบตายเช่นอยากให้จิตเราดีถาวร อ, อยากให้จิตสุขถาวร อ, อยากให้มีสติถาวร อ, อยากได้อย่างนี้หวังว่าถ้ามันสุขแล้วมันดีแล้วมันสงบแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานเลยมันปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดเลยคําว่าเที่ยงคําว่าเป็นสุขคำว่าถาวรคําว่าบังคับได้มันฝืนความจริง ความจริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาศาศาัตตาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงส่วนใหญ่นักปฏิบัติเนะอยากจะมีความตกขาววอนอยากสงบขาวร อ, อยากรู้อยากเห็นอยากบรรลุมรรคผลอะไรนี่จริงๆก็คือเพื่อจะให้จิตใจเนี่ยบรรลุมรรคผลจิตใจของเราจะได้มีความสุขลึกลงไปถึงที่สุดที่มีความอยากขึ้นมาได้เพราะเห็นว่าจิตนี้คือตัวเรานี่แหละพอเกิดความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเรานะ ก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบคนโง่หรือสัตว์เดรัจฉานหรือคนทั่ ว, วไปก็หาความสุขด้วยการหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปดูหนังฟังเพลงดูบอลดูอะไรนี้มีความสุขมีความสุขของเข้าอาศัยอารมณ์ภายนอกนักปฏิบัติเห็นว่าความสุขอย่างนี้ใช้ไม่ได้อยากแปรปรวนต้ อ, อาศัยสิ่งอื่นถ้าหารักษาใจเอาไว้พงที่ได้แล้วจะมีความสุข นักปฏิบัติจะพยายามควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมใจหวังว่าควบคุมไว้นานๆ น, นะฝึกถาวรดีถาวรแล้วมันจะบรรลุมรรคผนิพพานจะมีความสุขจริงๆที่ปฏิบัติก็เพื่อให้ตัวเราพ้นทุกมีตัวเราซ่อนอยู่นะปฏิบัติเพื่อจะให้ตัวเราสุขตัวเราดีเรื่องหลังตัวเรา คนเช่อั่ววิ่งหาอารมณ์คนทั่วทั่วไปวิ่งหาอารมณ์เพลิดเพลินก็เพื่อให้ตัวเรามีความสุขนักปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเพื่อจะหาความสุขเหมือนกันหาความสุขความสงบความดีอยากได้เหมือนกันเพื่อว่าตัวเราจะได้รับการตอบสนองอีกพวกหนึง่งฝึกต่อไปเรื่อยๆนะฝึกเข้าอาเนรชยะเห็นว่าตราบใดที่ยังกระทบอารมณ์อยู่ ยังเดือดร้อนอยังต้องคอยรักษากายรักษาใจพวกนี้ไม่ไม่กระทบเลยหลีกเลี่ยงการกระทบมีสองวิธีพวกหนึ่งเพ่งนามธรรมาเข้าอารูปฌานไม่มีอะไรมากระทบและสบายไม่ต้องคอยรักษาจิตพวกหนึ่งเพ่งรูปเข้าเข้ารูปฌานโดยเฉพาะเข้าไปถึงลมรูปปัจจุบื่อกีพูดเพ่งจนดับความรู้สึกไม่มีอะไรมากระทบจิตได้รู้สึกสบายไม่ต้องรักษาจิตเรียกคือ การปรุงแต่งสามแบบนี้รากเง่าของมันคือเอาวิชาเหมือนกันปรุงฝ่ายชั่ววิ่งหารมที่เพลิดเพลินไปตอบสนองกิเลสไปปรุงป่ายดีควบคุมกายควบคุมใจไว้เมื่อกระทบอารมณ์แล้วไม่กระเทือนถือว่าดีอีกปรุงอย่างหนึ่งก็คือไม่กระทบอะไรเลยได้แล้วจะดีสบายรากเง่าของมันเป็นอันเดียวกันนะคือเอวิชาเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราไม่มีเราคิดว่าเรามีจริงๆริงว่าตัวเราไม่มีครับ มันรู้สึกว่าเรามีนั้นถึงเกิดความปรุงแต่งก็จะหาความสุขสามแบบนั้นพระุทธเจ้าสอนให้เรารู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์ให้รู้ตามที่เขาเป็นอย่าเผลอไปนะอย่าใจลอยไปที่อื่นอย่าเอาแต่กําหนดไว้อย่าเอาแต่เพ่งไว้มันจะนิ่งจิดความเป็นจริงให้รู้ด้วยจิตใจที่ธรรมดาธรรมดารู้สภาวะธรรมดาธรรมดาเมื่อรู้แล้วปล่อยให้มันเกิดปฏิกริยาตอบน้องตามธรรมดาของมาัน เราต้องการเรียนถึงความเป็นธรรมดาของกายของใจนะไม่ใช่เรียนให้เหนือธรรมดาแต่สังเกตไหมพวกเรานะปฏิบัติชอบฝึกให้เกินธรรมดาให้เกินธรรมดานะตรงนั้นเรียนท ร, ราบคุณเบอร์ห้าสิบหกขณะนี้ลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมลืมกายลืมใจรู้สึกไหมคิดมันกระจายกระจายออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้กําลังเริ่มอัดกลับเข้าไปแล้วรู้สึกไหมกําลังเริ่มเข้าไปควบคุมมันแล้ว จิตมีความสงสัยทราบไหมรู้โลกปัจจุบันโลกมีลักษณะกีลักษณะนะใจสงสัยขึ้นมาอีกแล้วทราบไหมรู้เรื่อยๆความสงสัยเกิดแล้วก็ดับอย่าหลงตนนะสงสัยแล้วไปคิดหาคําตอบเนีย่ยหลงตนนะเราต้องการเห็นว่าสภาวะทั้งปวงเกิดแล้วดับไม่ใช่ต้องการตอบสนองกิเลสนะสงสัยขึ้นมาคิดใหญ่เลยรับขึ้นมาวิ่งตามเข้าไปเลยเหลียรขึ้นมาไล่ตีไลต่ต่เข้ไป ที่ตามกิเลสเหมือนๆกันเลยค่อยๆหัดรู้นะพวกเรายิ่งถ้าฝึกมากๆ่วนมากติดสมถะจิการเพ่งใจยะนิ่งใจทื่อๆทั้งวันเลยนะจิตใจมันคิดธรรมดาไปเบอร์เจ็ดสิบเก้าทำอะไรอยู่อืมรู้สึกไหมน้อมใจเข้าไปให้มันซึมอันนี้แหละลรุแต่งอีกแบบหนึ่งค่อยๆฟังนะ เรียนรู้สภาวะแต่แ ล, ะแตและอย่างแต่ละอย่างไปถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าไปติดถ้าไม่เข้าใจก็จะไปหลงติดกับมัน